ก็ทําให้ดูแลอยากขึ้นเราก็จะสวยทุกเวทนาจากติฟากาศที่แปรปรวนเพราะนัะ่นส่วนหนึ่งที่การเข้าถึงธรรมเราจะช้าหรือเข้าถึงธรรมยากกระตุ้ที่ว่าเราเวทนาเราไม่บาบางแล้วก็ทําให้เราจิตของเราเนี่ยจะไปพวงเรื่องกับเวทนาไม่เป็นอิสระได้ เพราะว่าในพระสูตรท่านบอกว่าปฏิบัติที่จะให้ได้ผลเดียวต้องมีเวทนาเบาบางนะคืออภาราน้อยด้วยเวทนาเบาบางถ้าเรามีเวทนาหนักหลายๆด้านก็จะทำให้เกิดนิวรณต่างๆเนะวทนาร้อนเวทนาร้อนจัดหนาวจัดยิวจัดอิ่มจัดแล้วก็ความ ดีฟ้าอากาศที่มันแปรปูนเปลี่ยนแปลงทำให้ความรู้สึกของเราเปลี่ยนไปดังนั้นสำหรับผู้ที่เริ่มปฏิบัติใหม่ก็จะช้าตรงนั้นเพราะว่าไม่สามารถจะแยกเอาความรู้สึกกายรู้สึกใจออกจากกันได้ชัดเจนเพราะนั้นการที่จะวางใจให้เป็นอุเบกขาในเวทนาก็ยากนะดังนั้นเราก็ต้องใช้ วิธีการพอเราเขาเข้าใจว่าเนื้อ เ, เวทนามันหนักทำไงให้มันเบาได้เราก็ทำตามความสามารถเท่าที่จะทำได้ไม่ไม่เผลอไม่เพลินในเวทนาการที่เวทนามันจะเป็นตัวถวงตัวดึงให้เราช้าก็คือเราไปเผลอไปเพลินในเวทนาเวทนาไหนที่หนักเราก็จะเผลอเวทนาไหนเวทนาไหนที่ เป็นทุกเวทนาเราก็จะเผือเวทนาไหนที่เป็นสุขเวทนาเราก็จะเพลินนะถ้าหากว่าตัวสุขเวทนามาทําให้เพลินแล้วถ้าทำให้เราไปเกิดความอยากความติดใจความชอบใจความพอใ จ, อใจก็เป็นอุปสรรคต่ อ, อการเข้าถึงธรรมเพราะนิวรนิวรณ์กรรมวินทะหนักนะ ถ้าหากว่าเราทุกเวทนาเราก็มากเก็บหรอไปใส่ใจกับยึดเอาเวทนาเป็นเป็นเราร้อนเราหนาวเราก็จะเผยก็เผอจิตส่งออกปับ๊บเราก็นําไปสู่ปฏิฆะความหมุดงีดก้มอึดอัดการเครื่องความไม่ชื้นชื่นเบิกบานมันก็จะเข้ามาดังนั้นวันก่อนเราพูดถึงเรื่องความเชื่อมต่อระหว่าง กายกับเวทนาและเวทนากับจิตและจิตมาสู่อารมณ์ได้อย่างไรนะการที่เราจะออกมาเป็นความคิดการปรุงแต่งละครเนี่ยมันจะเป็นมาจากต้นเหตุเหมือนคลื่นเ่ใหญ่ที่มันกระทบฝังเนี่ยไม่ใช่จู่จูมันจะตั้งคลื่นตั้งคลื่นตัวนั้นกระทบไม่ใช่มันจะต้องซัดกันมาเป็นละลอกเล็กจากระลอกเล็ก ก็กระทบกันมาหลายแล้วลอกเป็นแล้วลอกใหญ่เป็นและลอกคลื่นแล้วกระทบแล้วก็สลายไปก็ตั้งต้นใหม่อยู่อย่างนั้นเวทนาเราเหมือนกันเวทนาแล้วลอกคลื่นของอนิจจังไหลไปหลายๆแล้วลอกก็เป็นกระทบฝังก็เป็นทุกขังถ้าทุกขังก็เป็นหน้าตาก็สลายไปแล้วก็คลื่นลูกใหม่ก็เริ่มจาก อันนี้จังไปเรื่อยๆอยู่เงี้ยลืมจากกายกระทบกายก่อนกระทบกายคลื่นของกายก็แลกระทบเวทนาให้เกิดเวทนาคลื่นของเวทนาก็กระทบจิตเกิดความพอใจไม่พอใจคลื่นของจิตก็กระทบเป็นอารมณ์ก็เกิดเป็นความดีความไม่ดีความสุขความทุกข์แล้วก็สลายไปก็ตั้งตุน้นมาอยู่เนี้ยจาก แล้วลอกคลื่นตั้งแต่แต่ละทั้งสากายเวทนาจิตธรรมทั้งสี่เขาเรียกว่าเจ็ดชวนะจิต เ, เจ็ดเจ็ชวนะจิตเจ็ ด, จจดก็จะออกมาเป็นความคิดแต่ละความคิดเนี่ยแล้วลอกคลื่นของสภาวะกระทบกันเป็นขณะขณะเขาเรียกเจ็ดชวนะจิตนะเป็นคลื่นเรื่อยๆกระทบกันถึงเจ็ดคลื่นเนี่ย กลเป็นคลื่นใหญ่ถ้าเป็นอารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์เสียอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์บูดอารมณ์มเสืมชื่นหรือเบื่อบานอะไรต่างล้วนแต่มันมีที่เริ่มต้นของมันแต่ถ้าหากว่าเราไม่ตามรู้หรือขี้เกียจตามรู้เราไม่เพียรที่จะรู้ไม่เพียรที่จะแก้ไขจิตของเราก็จะไปแช่อ ย, อยู่แค่เมื่อเผลิก็เพลินไม่เพลินก็เผลิ น, ไ ม, น, นไม่สุขก็ทุกข์ไม่ทุกข์ก็สุขอย่างนั้น ทั้งกายทั้งใจ <c oughs> ทั้งสรรมธาตุตกเป็นาธาตุของอารมณ์ดีอารมณ์เสียอารมณ์สู่อารมณ์ทุกอยู่เนี่ยไม่ขาดแต่พอเรามาเจริญสติเนี่ยเราก็มาดูเชื่อมต่อระหว่างกายกับเวทนาดูที่ใจรักเชื่อมต่อระหว่างเวทนามาสู่จิตก็ดูที่ความอชอบใจไม่ชอบใจอ ดูจากจิตมาเป็นตัวอารมณ์ก็มาดูที่มันออกมาเป็นผลว่าเป็นผลสำเร็จออกมาเป็นไงดีหรือไม่ดีนะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นกุศลหรือกุศลเป็นสบายหรือไม่สบายก็ออกมาทางด้านนั้นนี่ถ้าหากเราดูลูกคลื่นของการกระทบอันนี้เป็นเนี่ยกระทบครั้งหนึ่งมันก็จะสั่นสะเทือน ถ้าเวทนายิ่งอ่อนไหวเวทนายิ่งอ่อนไหวการสั่นสะเทือนการกระทบก็กินเวลายาวเหมือนะระฆังอทองเหลืองแท้เนี่ยมันเนื้อมละเอียดอ่อนคนเนื้ออ่อ น, ออนพอตีตีครั้งเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนไปยาวทีเดียวเวลามาตีะระฆังโอเวทนาเราก็เป็นอย่างนี้ถ้าคนไหนพี่เวทนาหนักเวทนาหนามันกระทบแล้วมันก็จะไม่ไม่สั่นสะเทือนเหมือนเราไปตี ขางตีเหล็กอะไรเนี่ยมันก็จะไม่สั่นสะเทือนหรือ ก, ก้องเหมือนกระทองเหลืองละ่ะตีแล้วก็จบอืมนี้ถ้ า, าเวทนาของบางาคนเป็นเวทนาที่หนักเวทนานแ น, น่นกระทบไม่ค่อยสั่นสะเทือนเท่าไหร่มันก็ไปกินกินไม่ลึกแต่เวทนาอ่อนไหวเขาเรียกเซนซิทีฟเซนซิทีฟฟีลิ่งเนี่ยมันกินลึกพอกระทบปั๊บเนี่ยกระทบกายทะลุจิตกระทบจิตทะลุกาย ทำให้เราเข้าไปสำคัญมันหมายรับรู้ไวพวกเซนซิทีฟคือพวกที่อ่อนไวหวและอ่อนแออะไรกระทบนิดกรูปหน่อยก็จะเป็นหนักกว่าเพื่อนลึกกว่าเพื่อนน่เาเรียกว่าถ้าหากว่าเราได้ฝึกเฝ้าดูเป็นประจำคนที่อ่อนไหวอ่อนแอก็สามารถเข้มแข็งได้ด้วยการเข้าไปตามรู้บ่อยๆตามรู้จะจะรอยสายอ่ะ ยังเวทนาของเก่ายังไม่ทันหาอาเวทนาใหม่เข้ามาทบอีกนะถ้าเราตามรู้ได้ทันมันก็เกิดแปรเปลี่ยนจากเวทนาเป็นปัญญาได้คนอ่อนไหวก็กลายเป็นคนเข้มแข็งได้ถ้ามีสติเข้าไปตามรู้เท่าทันแต่คนที่เข้มแข็งถ้าหากว่าไม่มีสติตามรู้เท่าทันก็สามารถจะเป็นคน อ, อน่อนอ่อนแอได้เหมือนกันขึ้นอยู่กําลังของสติ และกำลังของความเพียร น, นะดังนั้นวันนี้ที่เราศึกษากันก็เรียกว่าได้อารมณ์พอสมควรตั้งใจเราต่างคนก็ต่างแก้อารมณ์ของตัวเองได้ทีนี้ในตัวที่มันจะแปลเปลี่ยนจากจิตเป็นอารมณ์เนี่ยมันจะต้องอาศัยอะไรอะอาศัยอุปทานที่เราสวดมาเมื่อกี้ อิติรูปังรูปเป็นอย่างนี้อิติรูปัสสะสมุทโยเหตุให้เกิดรูปเป็นอย่างนี้อิติรูปัสสะทังขโมการสลายของรูปเป็นอย่างนี้อิติเวทนาอิติสัญญาอิติสังขารอิติวิญญาณเดียวกันรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นนี้เหตุการสลายของรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นอย่างนี้อันนี้เขาแยกย่อยออกมา แต่ความจริงสรุปแล้วก็คือรู้มันเป็นอย่างนี้รู้มันเฉยๆรู้มันซื่อๆรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมแล้วคือความคิดอารมณ์นั่นแหละอารมณ์มันก็เป็นอย่างนี้เองเกิดเดี๋ยวมันเลือดสบายเดี๋ยวไม่สบายมันก็เป็นอารมณ์พอใจไม่พอใจถ้าเราสติมารู้เท่าทันเรวก็รู้ความเป็นอย่างนั้นของมันเองเป็นอย่างนี้อิติมันเป็นอย่างนี้ ถ้าเรารู้วมันไปอย่างนี้เราก็จะไม่ไปปรุงแต่งว่าเราไม่ได้ไปตั้งคําถามว่าทําไมอย่างไรแต่ถ้าเกิดมีคําถามมีงเงื่อนไขขึ้นมาเพราะอะไรทําไมอย่างไรทําไมจึงร้อนทำไมจึงหนาวทำไมจึงสุขทำไม จ, ух, ไมจึงทุกข์ทำไมจึงสบายทําไมจึงไม่สบายพอมันตั้งคําถามขึ้นมาก็จะเป็นเป็นอุปทานละเป็นอุปทานแต่พอเรามีสติปัญญาเข้าไปจำรู้ขึงความเป็นอย่าง น, นั้นของมันมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่เดาไปแล้วก็ดู แล้วจิตมันก็ไม่เข้าไปสร้างคําถามไม่เข้าไปปรุงมันก็ตัวตัวอุปทานก็ไม่เกิดพวรู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้แล้วปล่อยรู้แล้ววางไปนี่เขาเรียกอุปทานก็ไม่เกิดแต่ถ้ารู้แล้วมันเข้าไปสร้างคําถามตั้งเงื่อนไขนี่ก็อุปทานก็เกิดนะเพราะฉะนั้นเออรู้มันเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างอื่นมันเป็นอย่างนี้ของมันนะอุทธรบแล้วมันก็จะต้องอากาศร้อนกระทบมันก็คือร้อนนง จะทำไงกระทบร้อนจะให้มันเย็นเป็นไปนไม่ได้อากาศเย็นมากระทบคือเย็นเราจะไปคิดหาร้อนมันก็ไม่ได้แล้วก็รู้เหตุของมันเมื่อรู้มันเป็นอย่างนี้เราก็ไม่มีอุปทานในขันห้าทุกก็ไม่เกิดความคิดปรุงแต่งความตั้นหาความอยากความปฏิฆะหรือความพอใจไม่พอใจมันก็ไม่เกิดเพราะรู้ความเป็นอย่างนั้นของมันเสียก่อนอ แต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้ความเป็นอย่างนี้นปั๊บอุปทานเกิดแล้วก็เข้าไปปรุงแต่งก็เป็นสังขารมันคือกายไม่เป็นอย่างนี้แล้วทีนี้มันจะเป็นดีเป็นชั่วเป็นถูกเป็นผิดเป็นถูกเป็นสุขเป็นทุกข์ไปละไม่เป็นอย่างนี้ละมันเป็นอย่างอื่นละนี่เขาเรียกว่าเป็นอุปทานในขันธ์ทั้งห้าที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรก็เพราะว่าเราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาเข้าไปตามรู้ดังนั้นการสร้าง ตัวกำลังของสติปัญญาก็ไม่ง่ายเพราะการที่ดึงจิตเข้ามาอยู่กับตัวมันเองเนี่ยมันเหมือนกับเรากำลังจะเป็นศัตรูกับอัตตาของตัวเองคือเราจะพยายามที่จะทำลายอัตตาให้เป็นอนัตตาให้ได้แต่อัตตาเขาอยู่มานานเขาก็ไม่ยอมถูกทำลายง่ายๆเขาก็ต่อสู้ต่อต้านเวลาเราปฏิบัติ ข้างในมันก็ต้านต้านขี้เหยียดอยากแก ท, ทําน่นทำนี่ไม่อยากแกท่ทาอยากจะพักอยากจะพ่ออยากจะไปอยากไปอยากไปทําอย่างอื่นน่ะไม่อยากทําอย่างเนี้ยนี่เขาเรียกว่ามันต่อต้านอยู่ภายในอัตตาของเรามันต้องการรอดเหมือนกันเพราะมันสั่งสมตัวมานานใช่ไหมเราอจู่ๆไม่จะถูกทําลายด้วยตัวปัญญาปัญญาคือตัวรู้เนี่ยเข้าไปรู้เข้าไปรู้ไม่ให้มันไปสร้าง ไม่ให้มันเพิ่มกำลังของอัตตาอัตตาตัวนี้หมายถึงว่ามันสร้างความอยากตอบสนองตอบสนองความอยากให้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นให้อาหารของอัตตาเพราะนั้นอัตตะมานะตัวนี้มันก็ดำรงอยู่ได้เพราะเราให้อาหารมันอะไรเป็นอาหารของอัตตามานะก็คือความ อยากและความยึดนั่นเองถ้ามันอยากได้ยึดได้อะตามันก็อยู่ได้ถ้ามันเราทําลายความอยากทําลายความยึดอัดตรมมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ดินด่นดีเพราะดิ่นมันก็ต้านเราต้านเราทําให้เกิดอารมณ์เราเพราะในความเพียรไม่ใช่ว่าใครอยากจะทําได้ก็ทําพวกเราที่มานั่งทําอย่างนี้ได้เราก็ทํากันมาหลายงานแต่พวกที่ไม่อยากทำํำมันก็ฝืนทําไม่ได้เพราะว่าจิตข้างในมันต้าน นี่เขาเรียกว่าอัตตามันดิ้นมันดิ้นที่เอาตัวรอดอยู่พนะแต่ถ้าหากว่าบางคนเข้าใจแล้วว่าออการมีอยู่ของอัตตาหมาย ม, มีอยู่ของทุกขเพออัตตาไปที่ที่ตั้งของวิชาตันหาอุปทานมันก็เห็น <c oughs> ว่าถ้าตัาบใดจิตของเราเป็นที่ตั้งของวิชาตันหาอุปทานนจิตของเราก็ยังทุกยังไม่ปลอดภัยจากทุกข์เราก็พยายามที่จะทํำลายที่ตั้งของมันและที่ตั้งของมันก็คือมันอัตตานะ ทีนี้ในอาตารุ่นี้มันก็มีอวิชชาตันห า, ามีตันหาอุปทานเป็นอาหาราเป็นอาหารของมันเมื่อมันมีอาหารก็เติบโตไปเรื่อยๆอแต่ถ้าหากว่าไม่ให้อาหารมันก็ตายนะนั่นหมายความว่าเราอย่าทำตามอยากจิตอะไรมันอยากขึ้นมาก็อย่าเพิ่งตอบสนองมันดูนเฉยเฉยไอการดูเฉยเฉยหมายความว่า พอเสือมันหิวเราก็ดูมันเฉยๆไม่ต้องไปสงสารเสือถ้าเราใจอ่อนสงสารมันก็ายนเนื้อมันกินนั่นหมขยความใจมันอยากจะทำอะไรเราก็ตอบสนองมันนั่นหมาอควาเราโยนเนื้อให้เสือกินแล้วมันก็มีกำลังจิตมันอยากจะทำอะไรก็ตอบสนองมันปั๊บนี่มันทำให้อัตตาเรามีกำลังเขาเ่ีตามใจตัวเองพอตามใจตัวเองแล้วทีนี้มันก็ติดแล้วทีนี้ กติดถ้าหากว่าใจมันอยากอะไรก็อยากตอบสนองทันทีถ้าไม่ได้ตอบสนองไม่ได้จิตมันจะดิ้นดิ้นดินเหมือนเด็กเนี่ยถ้าหากว่าจะทาอะไรมันอยากอะไรไม่ตอบสนองมันจะโกรธเกลียดเค็ดขุนปฏิฆะไม่พอใจทันทีเยนะเดี๋ยวว่าแต่เด็กไม่แต่ผู้ใหญ่เรามันกันใช่ไหมถ้าอยากจะทําอยากจะพูดอยากจะคุยอะไรถ้าใครมาขัดมาขวางมาติมาติงแล้วไม่ได้เกิดปฏิฆะเนี่เพราะมันไม่ทําตามใจ ดังนั้นเองเรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อที่จะไม่ป้อนอาหารให้กับอัตตาของเราเพราะรู้ว่าอัตตาคือตัวตนเนี่ยมันเป็นที่ตังของสมุทัยของทุกข์เราก็มาทาลายมันทาลายก็คือไม่ทาตามอยากซะกันนันแหลคือการทำลายละถ้าแต่ไดเ้่าอยังทาตามที่เราอยากก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้มันเกิดนั้นมาที่เราก็ตัด ความอยากหลายๆอย่างนะอย่างด้านูที่บ้านเนี่ยเราตอบสนองความอยากเราได้ความอยากมันจะเป็นความอยากได้หมายของจิตของเราฝักใฝ่ไปหาวัตถุภายนอกเป็นอารมณ์เขาเรียกว่าเอาสิ่งภายนอกเป็นอารมณ์ตอบสนองความอยากแต่ถ้าเมื่อไรจิตมาเอาอายตนะภายในเป็นอารมณ์เนี่ยความอยากมันตาย ถ้าเมไรมันไปเอายาตนะภายนอกเป็นอารมณ์ความอยากมันเกิดสังเกตไหมเวลาเราปฏิบัติอยู่นะถ้าได้ถ้าเราแยกเราไปทําอะไรสักอย่างนะึงรู้สึกมันมีเลี่ยวมีแรงน ะ, นะทำอยู่ดีครับไป <c oughs> คุยกันหรือไปเด็ดดอกให้ไปจัดเข้าจัดของไปทําอะไรสักอย่างก็รู้สึกมันจะดีกระด้างขนดีเหมือนได้ว่าได้ได้ตอบสนองอะ่ะแต่มาทํากับตัวเองมันไม่สนุกเลยนะาทายังไงก็ไม่สนุก เพราะอะไรเพราะอาาัตตามันต้านก็มันกลัวตายเ ห, หมือนกันสังเกตไหมมันมันมันเป็นมันเป็นสภาวะที่ละเอียดอ่อนมากนะดังนั้นเองพอยอมบางคนเขาบอกโอ้ยหลพอ่ออยาให้ผมไปปฏิบัติได้ผมทํางานทั้งวันดีกว่าผมปฏิบัติผมปฏิบัตินี่ผมไม่เอาเลยเพราะทางานทั้งวันหนักขนาดไหนผมก็สู้กนะันขอได้ทาํางแต่ให้มายืนมาเดินมาทําอะไรโดยที่ไม่มีงานผมทําไม่ได้ผมเหนื่อยเขาไห เพราะว่าเขาอยู่กับอาตามาจนชินนะ่ยเพราะฉะนั้นจะให้เขาทำลายอาตาเขาไม่ยอมอันนี้คือทุกเขาก็ยังอยู่ใช่ไหมขอให้ได้ทำอะไรสักอย่างเนะี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ข้อทห้จริงที่มันมีอยู่แต่ว่าเราก็มักจะไม่เห็นความสำคัญแล้วก็ต้องตกเป็นท่านขงความอยากตามที่อาตามมันต้องการนะเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นที่สุดท่านจึงให้ทำลาย อัตตาคนท่านใช้คําว่าสักยะทิถิเนี่ยสักยะทิฐิการสําคัญว่าสิ่งที่ความอยากเนี่ยเป็นตัวตนสักยะเร่องนั้นนะสักยอัตตาสักยะทิฐิสําคัญมันหมายความอยากเป็นตัวตนท่านให้ทําลายเพราะตัวความอยากไปสร้างตัวตนสั ก, กังไปว่าตัว ต, วตนสักยทิฐิเบื้องต้นเลยนะ ถ้าหากว่าคนไหนทำลายความอยากได้ระดับหนึ่งเนี่ยนะระดับหนึ่งเป็นคุณธรรมเบื้องต้นของพระโสดาบันขณะโลกโลกุหลงยังไมไปทาลายนะั้นทำลายความความสำคัญตัวตนผิดนี่เทก่อนได้สักยัิทิฏฐิวิบิติขีฉาความลังเลสงสัยว่าไม่ใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกเป็นหรือไม่เป็นอ่านะมันก็ยังสงสัย แเราสีแลปะตะประมาสความยึดบดดื้อถือดียึดติดในเรื่องดีน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเอาอย่างนี้เพราะฉะนั้นสามเรื่องเนี่ยมันเป็นเบื้องต้นเป็นยาปากคอกนะเพราะฉะนั้นเวลาเราสวดอิติลู ป, ปังอิติเวทนาอิติสัญญาอิติสังขารอิติวิญญาณถ้าหากว่าใครทําได้เออเป็นอย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นนะมันไม่เป็นอย่างอื่นนะรูปมันเป็นอย่างนี้แหละรูปเป็นอย่างไงก็เป็นอนนีจังรกข่างหน้าตา เวทนาเป็นเวทนาเขาก็เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเฉยๆแล้วสัญญาเป็นไสัญญาคือความจดจําได้ใหม่รู้ว่าทำหน้าที่ของมันสังขารเป็นการปรุงแต่งคิดนู่คิดนี่ก็เป็นเรื่องของมันมันเป็นอย่างนั้นของมันนะเราไม่ไปสงสัยแล้ววิญญาณวิญญาณก็รู้อะไรเป็นอะไรอารมณ์ที่มันกระทบนี่เป็นรูปเสียงสีรสสัมผัสต่างๆที่เข้ามาทางอายตนะทั้ง6มันก็เป็นของมันอย่างนั้นนะโดยที่เราไม่ไปสร้าง ให้มันเป็นอย่างอื่นแต่ถ้าเราไม่เป็นอย่างนั้นเราไม่ตกลงปรุงใจว่ามันเป็นอย่างนั้นเราก็คิดล่ะคิดให้เป็นอย่างอื่นเวลามันร้อนขึ้นมาไม่ยอมม่ยอรับความร้อนเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมมันร้อนจะร้อนจะทําอย่างไรอะไรอย่าเวลามันหนาวขึ้นมาเอ๊ะทาไมมันหนาวหนาวจะทํำคิดเป็นอย่างอื่นแท่ที่จะหนาวคือหนาวมันไม่หนาวอิติหนาวหนาวเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นนอิติหนาวอิติร้อนไม่อิติแล้วเอ๊ะทำไมทําไมทําไมไม่นสั่ง คขอชั่นขึ้นมาในหัวนเวนี่ยเขาเรียกว่าสร้าอุปทานแล้วหนาวก็คือหนาวร้อนก็คือร้อนหิวก็คือหิวอ่าก็จบนะแก้ไขถ้าแก้ไขไปแก้ไขไม่ได้ก็ดูเฉยๆเอาเท่าที่ทนได้นะทนไม่ได้ก็แก้ไขถ้าทนได้ก็ทนไปอยู่อย่างเนี้ยจนกระทั่งจิตมันแข็งเนี่ยพอจิตมันแข็งมันก็เกิดความหนักแน่นไม่หวั่นไหวกับไอ้สิ่งที่มากระทบให้ยากนะ ไปเพิ่มความอยากแต่ถ้าหากว่าเราแก้ไขความทุกขเวทนาที่เกิดกับกายโดยเห็นว่าถ้าปล่อยไว้มันจะเป็นอันตรายต่อกายหรือเป็นการเบียดเบียนกายการเข้าไปแก้ไขนี้ไม่ถือว่าเป็นความอยากอันนี้ถือว่าเป็นธรรมเพราะเราทาเพื่อป้องกันให้ร่างกายนี้อยู่ได้แต่ว่ามันจะต้องอยู่ในระดับที่ว่ามัน กายทนไม่ได้นั่นแหละแต่ถ้าลักษณะที่กายทนได้ไม่เป็นอันตรายเราก็ดูมันไปก่อนเพราะมันเป็นอย่างเนี้หลายอย่างนะเราสามารถจะทนได้ไม่เป็นอันตรายร่างกายแต่เราก็ทนไม่ได้เราก็รู้สึกว่างูงิ่ระคารกับลมคารกับมันนะนะอันนี้ก็คือรายละเอียดที่เราจะต้องใส่ใจเพราะเวทนาสิ่งเหล่านี้ที่มาจากข้างนอกมีตลอดเดี๋ยวร้อนมาเดี๋ยวหนาวมาเดี๋ยวยุงมาเดี๋ยว เพื่อนมาเดี๋ยวมาแรงมาซารพัทวันวั น, วนแล้วุ่นวายอยู่กับตัวเองหลายเรื่องวันวั น, อ, น, นอันนั้นอันนี้อันนันไปเรื่อยๆสังเกตให้ดีนะตั้งกายนี่มันช่างบอบบางนะอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วก็จะนั่นก็ดิวุ่นทั้งวันเนี่ยเราก็คือวุ่นกับกายตัวเองนี่แแต่ถ้าเราดูมาเฉยๆบ้างอนะดูเฉยๆบ้างไม่ต้องไปวุ่นกับมันเอาที่ว่ามันเอาเท่มันทนได้อะ จะทนไม่ได้ก็ค่อยว่ากันค่อยแก้ไปอันไหนทนได้ทนดูไปเรื่อยๆนะคนบางคนก็หิวนิดหนึ่งก็ไปแล้วร้อนหน่อยก็ไปแล้เพื่อนหน่อยก็ไปแล้วเงือออกนิดก็ไปแล้วมรงคนหน่อยก็ไปแล้วก็ทำให้เราตอบสนองโดยที่ไม่ดูมันก่อนเราก็ขาดความอดทนขาดความเข้มแข็งนะดังนั้นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยก็ศึกษาสิ่งเหล่านี้แะ มันก็สนุกในการแก้สุขบ้างทุกบ้างง่วงบ้างเหงาบ้างตื่นบ้างหลับบ้างเอาดูไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนี้อิติหลับอิติหนาวอิติร้อนก็ดูไปเรื่อยๆในที่สุดจิตของเรามันก็ถอนถอนความสำคัญมั่นหมายนะความสำคัญมั่นหมายสอนความยึดติดมันเกิดก็คือมันเกิดนะแเราก็ดูไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็เลยทำให้จิตของเราเนี่ย ดูซื่อๆนะอเนียผมเคยเห็นที่ใช่กว่าดูมันซื่อๆแต่ส่วนใหญ่มันดูไม่ซื่อเขาดูโคตดรๆดไปแล้วก็โคตรกับมันไปคือหมายความตามมันไปนี่แหละโคตรแล้วถเรอซื่อๆหมายความไม่ตามมันไปนี่แหละดูซื่อๆคือไม่ตามมันจบนะตอนนั้นเองเอามาว่ายิ่งต่อไปยิ่งโลกไปข้างหน้ายิ่งอยู่ยากเนะพราะอะไรเพราะความแปรปรวนไตลักมันทํางานเร็วขึ้นไตลักมันทํางานดูนแรงขึ้นเพราะ มนุษย์ไปสร้างเหตุปัจจัยให้มันนะเหตุปัจจัยทําห้หนาวมากให้มา้ร้อนมากให้แปรปูนมากเพราะไปทําผิดกฎของธรรมชาตินะก็ทําให้กฎไตรักนี่เข้มเข้มคนรวดเร็วรุนแรงแล้วมนุษย์ที่ไม่เข้มแข็งจะทนไหวอ่ะเดี๋ยวก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บเ ป, เป็นนู้นเป็นนี้ป่วยเจ็บตายกันไปอายุเข่สั่นเข่าสั้นเข่าสั้นเข้าไปเรื่อยๆยิ่งคนที่อ่อนแอก็ยิ่งตายไว นะเป็นอะไรก็จะไปลุมเป็นแรงจะช็อกตายให้ได้แต่คนที่เข้มแข็งก็จะตายช้าหน่อยเพราะคนที่เข้มแข็งอยู่ที่ใจอ่ะถ้าใจมันทนถ้าการมันก็ทนได้แต่ส่วนใหญ่ใจมันทนไม่ได้การก็ทนไม่ได้ดังนะั้นมันก็สังเกตนะสังเกตคนที่เมืเ่อเขได้ปฏิบัติธรรมเนะี่ยเป็นอะไรตายไวเพราะความอดทนไม่พอแต่คนที่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยค่อนข้างตายช้าหนะ่อยเพราะอะไรเพราะมันทนได้ทนได้ไม่ค่อยตายอื แต่ว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไปในอะไน่ะก็จะตายอย่างเดียวเพราะใจมันไปแล้วใจมันใจมันหมดสภาพดังนั้นการปฏิบัติธรรมคือทําให้จิตของเราเข้มแข็งพอจิตเข้มแข็งแล้วมันก็ทนอะไรอะไเยอะร่างกายก็พอทนได้ไปด้วยนะตอนนัน้นนี่เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเราเห็นอ น, นิสงส์เห็นความสําคัญว่ามนุษย์มีคุณค่ามากอย่าปล่อยให้มันเจ็บง่ายๆอย่าปล่อยให้มันตายง่ายๆใช้มันเรื่คุ้ม ใช้มันสร้างประโยชน์ตัวประโยชน์ท่านไปเรื่อยๆเราก็ดึงขนขวายที่ปฏิบัติธรรมขนขวายที่ช่วยเดี๋ยผู้อื่นปกป้องผู้อื่นเขาเขาได้ศึกษาเรื่องนี้ด้วยนะไม่ใช่เราจะเอาบุญเอากุศลอะไรเราเสียดายว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นญาติทาไมปล่อย เ, เป็นอย่างนี้นเสียดายมันไปปล่อยให้ตนเองอะไรประโยชน์ต่อให้ตัวเอ ง, เ, เ, องเจ็บป่อยให้ตัวเองป่วยปล่อยอให้ตัวเองอ ผ่านไปวันวันโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรในอะรเสียดายแล้วก็ไปกระตุ้นเขาให้เกิดศรัทธาให้เกิดความเพียรให้เกิดความกระตือรือร้นในการที่จะสร้างคุณงามความดีให้แก่ะตุนบ้างให้กับผู้อื่นบ้างทำให้โลกนี่มันอยู่กันได้นะฉะนั้นเองเน่มาก็เห็นว่าโลกต่อไปมันมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าคนที่จะมาศึกษาธรรมะมันน้อยลงไอ้คนที่ไม่ศึกษามันเยอะขึ้น ทีนี้คนที่มันมีจํานวนน้อยมันก็จะอยู่ยากล่ะแต่คนจํานวนมากมันครอบงําเอาได้นะมันก็ดึงมันเป็นกระแสจูงไปทางเดียวกันถ้าเราไม่เข้มแข็งจริงๆแล้วก็ถูกครอบงําถูกจูงไปนะ เ, รเราอยู่ที่บ้านเราจะรู้ดีว่ากระแสะมาแรงขนาดไหนแค่จะไม่แค่จะไม่กินข้าวแรงสักมื้อนีก่ก็รักษายากแล้วแค่จะกินข้าวมื้อเดียวนี่ถูกดึงไปนั้นถูกดึงเไปงานเลี้ยงหน่อย อากินันนี้หน่อยเอาอันนั้นหน่อยไปแล้วไอ้สิ่งที่เราสมทานนะรักษามันเคยได้เพราะอะไรเพราะเหตุปัจจัยมันมันดึงไปดูดไปอันนี้ขอให้เราไปสังเกตให้ดีในครอบครัวของเราถ้าสมมติมาปฏิบัติธรรมสักสมมติอยู่ด้วยกันหคนมาปฏิบัติธรรมสักสามคนแล้วก็เบาเยอะเพราะแรงดึงดูดมันน้อยแต่เราปฏิบัติอยู่คนเดียวอีสี่คนไม่ปฏิบัตินะแรงดึงดูดเขาแรงกว่านะี่เราก็คอยตามเขาอะไรถูกลุมนะดึงไปดึงมา เพราะงั้นเราก็พยายามเอาคนในครอบครัว ข, ของเราปฏิบัติให้เยอะๆน่อเพื่อเพื่อเราจะแรงสร้างแรงดึงดูดในฝ่ายบวกมาทางเรามากกวนัแต่ถ้าหากว่าเราไปดันอยู่คนเดียวไปดึงอยู่คนเดียวเดี๋ไม่ไหวเดียเด๋ยวเดวเราก็ต้องถูกดึงไปจนได้แหละนะตรงนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องชีวิตประจำวันของเราจริงๆการปฏิบัติธรรมก็เรื่องเหล่านี้แหละไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งอะไรมากมายแต่ส่วนใหญ่เรามองข้ามเรามองข้าม ในสิ่งที่มันเกิดเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยให้มองใกล้ๆตัวเองให้มองสิ่งที่กําลังเกิดอย่ามองข้ามเพราถ้าหากว่าเราสามารถวางจิตวางใจกับสิ่งที่กําลังเกิดขณะปัจจุบันแต่ละขณะขณะได้เนี่ยสิ่งต่อๆไปที่มันใหญ่หลวงกว่านั้นเราก็ทําได้เราต้องสั่งสมชนะไอเวทนาเล็กๆน้อยๆนี่ให้ได้ซะก่อนนะสิ่งดึงดูดเล็กๆน้อยเนี่ย ให้ได้และสิ่งที่ใหญ่ใหญ่ไปก็ก็ไม่ยากนะดั น, นั้นก็ขอให้เราได้ช่วยกันในเวลาปฏิบัติโดยเฉพาะในที่นี่มันเป็นที่สงัดวิเวกไม่มีเสียงอะไรมาลุกคนตึงตังเสียงใกล้เสียงไกลก็ไม่ค่อยมีนอกจากเสียงลึงเลไลแม้แต่เสียงนกก็ไม่ค่อยได้ยินในที่นีนเนาะนีะะน้อ ย, ยมมอ <laughs> จะเริ่มมาเห็นนกเร่งนกเรืงไก่ป่าจะเริ่มมา พอมีกล้วยกินเยอะนะดังนั้นมาว่าอยากปฏิบัติยาวๆเพราะอะไรเพราะมันสงัดดีเหลือเกินหาที่ยากสงัดอเงี้ยบางทีในป่าในเขาโดียนี้ได้ยินเสียงรถเสียงเรือเสียงเรือเสียงคนหาปลาหาเห็ดหาอะไรตึงตั้งไว้หมดอันนี้ไม่มีก็อยากจะให้เรามีเวลาได้ปฏิบัติเพื่อจะให้จิตของเราได้เสพคุ้นกับความสงัดวิเวก ท่านที่เป็นกายวิเวกจิ ต, ตวิเวกอุปธิวิเวกเนี่ยให้เสร็จาเสร็คุณหมายความว่าให้จิตเนีซึมซับเอาความสงัดวิเวกเนี่ยไว้ลึกๆไว้เยอะๆเมื่อจิตของเราคุ้นกับความสงัดวิเวกปั๊บเนี่ยมันก็จะไม่ปรุงแต่งได้ง่ายเพราะความวิเวกเนี่ยเป็นอาหารความวิเวกเป็นอาหารของสมาธิความสงัดวิเวกเนี่ยเป็นอาหารของสมาธิ ความตื่นเนื้อตื่นตัวเป็นอาหารของสติโยนิโสมนสิการคือไข้คนลงรายละเอียดอะไรต่างๆเป็นอาหารของปัญญาคุณยกมีปัญหาเลยว่ากำลังคุยเพราะฉะนั้นหลวงพอ่อเสดาดแล้วควรคนไม่ตั้งใจฟังกลวจะไม่เข้าใจนะต้องช่วยกันหน่อยดังนั้นเองเราจะเห็นว่า เรื่องของความเข้าใจเป็นเรื่องสำคัญลงรายละเอียดด่างต่างที่เกิดขึ้นในกายในใจของเราเนี่แยกให้เห็นเลี๋ยวอะไรเป็นอะไรในร่างกายของเรามันมีเวทนาปรากฏตลอดนะไม่มีไม่มีเวลาว่างเว้นเลยไม่หนักก็เบาไม่หนาวก็ร้อนไม่หิวก็อิ่ม อ, อยู่อย่างนั้นแหละไม่แต่นอนนะไม่แต่นอนก็ยังฝันต่อเลย ใช่ไหมเวทนานะ่ะตลอดเวลาท่านถึงเปรียบเสมือนว่าเวทนาเนี่ยเหมือนสัตว์ที่มันถูกถลอกหนังอ่ะเหลือแต่เนื้อแดงๆน่ยนั่นอาการของเวทนาสัตว์ที่มันถูกถลอกหนังยมนึกภาพดูคือยอย่าว่าสัตว์หรือไม่มือของเราหนังกระพ้าถลอกมันไปไงได้ซิปๆเนี่ยเ ร, เราก็รู้สึกนั่นคืออาการของเวทนาทั้งเนื้อทั้งตัวเราเป็นอย่างนั้นมันแสดงอาการตลอด ร้อนหน่อยหนาวหน่อยมันก็แสดงอาการาการที่เราเอาใจใส่ที่จะดูแลเรื่องนี้นั่นแะเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการถ้าจะว่าไปเนี่ยทุกมันมีตลอดทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปถ้าไม่มีทุกแล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับดูภูริยาตรัสไว้นะเพราะฉะนั้นเราก็มาใส่ใจศึกษาทําความเข้าใจเรื่องทุกขน้อมัดระวังเรื่องทุกข์ให้ได้ให้มันจํากัด ควบคุมให้อยู่ในขอบเขตมันก็จะทําให้เราอยู่ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าทำให้จำกัดควบคุมขอบเขตคือเหมือนไฟที่มันลุกลามไปสู่ทิ่นอื่นบ้านอื่นแต่ถ้ามันควบคุมอยู่ในที่ขอบเขตที่มันมันก็จะปลอดภัยเวทนาตัวนี้นะังนั้นามาจริงว่าใส่ใจสิ่งเล็กลน้อยเพราะว่าเราได้รับสิ่งใหญ่เนี่ยมันก็มาจากสิ่งเล็กลน้อยนี่แหละถ้าเราไม่ตัด ไฟแต่ต้นรูม่ตัดเหตุเล็กๆน้อยมันก็ต้องกลายเป็นเหตุใหญ่ไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งนะเมื่อเราใส่ใจเอาใจใส่ดูแลตัดต้นเหตุเล็กๆน้อยเหล่านี้ไอเหตุใหญ่ๆมันก็จะไม่เกิดนะะนั้นน่มาเองที่ใส่ใจเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะได้รับวิบากจากความเผลอความเพลินเลินเล่อประมาทร่ราร้อนรีบรึ่งเนี่ยได้รับอานิสงฆ์ของมันเป็นความเจ็บปวด เป็นความเจ็บป่วยแต่พอเรามาเอาใจใส่เรื่องนี้ปับ๊บ <c oughs> เรา <c oughs> ตัดเหตุเลื่อนเลื่อนน้อยของเวทนาออกแล้วก็มีโอกาสได้สงบได้ยินบ้างได้สบายบ้าง <c oughs> ได้เบาสบายบ้างเนี่ยเป็นอนิสงส์ซึ่งเรื่องที่จะเป็นอย่างนี้เราไม่สามารถจะซื้อเอาได้ไม่สามารถจะเรียนเอาได้เราต้องฝึกต้องฝืนต้องปฏิบัติเท่านั้นความสุขสงบจากทุกเวทนาเนี่ย มันไม่สามารถที่เอาเงินมาแลกได้นะเศรษฐีมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็มาซื้อสุขเวทนาที่มันเกิดขึ้นเองไม่ได้เพราะส่วนใหญ่เขาก็ไปเพลินในเวทนาใช่ไหมมันสุขมากก็เพลินในสุขมันทุกมากก็เพลินในทุกแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้มาละความเพลินอย่าเพลินในสุขอย่าเพลินในทุกขมันว่าให้บำบัดทุกแล้วก็ให้ใช้ความสุขให้เป็นประโยชน์นะ ความสุขเนี่ยถ้าใช้เป็นประโยชน์มันก็เกิดปัญญาแต่ถ้าเราไปเพลินมันมันก็เกิดตัณหาตัวเดียวกันนั่นแหละ <c oughs> ท่านนึงบอกให้ละนันทิละความเพลินเมื่อเราเพลินในเวทนาสุขเวทนาทุกข์แล้วตัวนั้นแหละเป็นตัวเหตุเปที่มาเป็นสมุทัยของทุกขนะ น, นั้นในการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆต่างๆมันเบื้องหลังมาจากทุกเวทนาทั้งนั้นแหละ ฉน้นเอาใจใส่การเคลื่อนไหวคือเอาใจใส่ทุกเวทนาแต่ถ้าเราอยู่นิ่งๆซื่อๆโดยไม่ทําอะไรสักห้านาทีสิบนาทีก็ยากเราก็ต้องเคลื่อนไหวอย่างนู้นอย่างนี้เพื่อบําบัดทุกเวทนานั่นเองสังเกตมันไปเรื่อยๆนะีแล้วเราก็จะไม่อยากจะเสียเวลาก็จะไปยุ่งกับเรื่องอื่นสิ่งอื่นนักแต่คนส่วนใหญ่เพลินสิ่งนอกตัวเองเพราะอะไรเพราะมันจะได้ลืมทุกเนะ่ย พอเขาจิตเขาไม่แข็งพอที่จะไปเชิญทุกที่เกิดภายในตัวเองได้ก็ต้องหาเรื่องอื่นมาเป็นทางออกคนก็เลยไปเพลินในรูปเสียงกินลดสัมผัสเพื่อที่จะได้ลืมทุกขณะที่เกิดปัจจุบันได้บ้างแต่คนที่นักปฏิบัติวิปัสสนาแล้วไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นภายนอกมาเป็นตัวบำบัดอาศัยตัวมันเองเนี่ยบำบัด ต, ตัวมันเองเอาตัวมันเองดับตัวมันเองเอาเวทนานะดับเวทนา อย่าไปเอารูปเสียงกี่เล่สัมผัสมาดับเวทนามันดับไม่หมดเอาตัวรู้ตัวปัญญาไปดับเวทนาได้นะดังนั้นเองก็ในเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะใส่ใจเวทนาเล็กๆ็น้อยมากขึ้นตามกำลังสติปัญญาของเราที่ว่าใช้คำนี้ก็เพราะว่าบางคนกนะ็มีทุกคนเอาเวทนาแต่บางคนใส่ใจมากบางคนใส่ใจนะ้อยบางคนไม่ใส่ใจเลยเรื่องเวทนา เพราะอะไรพอกำลังสติปัญญาเขาไม่พอกําลังศรัทธาไม่พอกําลังความเพียรไม่พอเขายังต้องเสวยทุกข์ต่อไปเรื่อยๆแหละแต่เมื่อไหร่เรหันมาเอาใจใส่ในรายละเอียดแล้วพยายามถอดถอนออกไปเรื่อยๆถอนไปถอนไปถอนไ ป, ถอ น, ไปถอนอะไรถอนความอยากความเพลินในเวทนาออกไปมันก็เวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาแล้วไม่ให้ฆ่ามันสุ ก, ก็เป็นเรื่องของมันทุกข์กับ เ, เรื่องของมัน อย่าไปตอบสนองอย่าไปบุ่นวายกับมันก็ เ, เพียงแต่รับรู้แล้วก็ผ่านไปแต่เอาใจใส่ไม่ใช่ว่า เ, ออเราไม่รับรู้ทุกเวทนากําลังเกิดไปใส่ไปใส่ใจเรื่องอื่นอันนั้นก็ไม่ใช่อีกน ะ, ะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเราไม่อยากจะรับรู้ต่อทุกเวนาก็ช่างมันไปใส่ใจเรื่องอื่นสิ่งอื่นมากกว่าแต่การที่เราไม่ใส่ใจต่อเวทนาที่มันเกิดตรงนั้นแหละมันจะเป็นเหตุสังสมกําลัง จากเวทนาเล็กๆที่เราไม่ใส่ใจมันจะสั่งสมเป็นกำลังเวทนาใหญ่ๆเวทนาทางกายกลายเป็นเวทนาทางจิตเวทนาทางจิตกลายเป็นอุศนอคุศลขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นเวทนาใหญ่แล้วพาะไม่ใส่ใจเวทนาเล็กน ะ, ะนั่นในจุดัองการปฏิบัติก็เริ่มจากตัวนี้แหละที่เราพัฒนาตัวรู้พัฒนาสติเพื่อที่จะให้สติปัญญาเกิดบ่อยๆเพื่อจะรู้เท่าทันต่อ เวทนาต่างๆที่มันเกิดมาทียิบทีเดียวนะเกิดด้วยอานาจของอะไรอา น, นิจังทุกขังหน้าตาทํางานตลอดเวลาไม่มีว่างเว้นไม่มีเวลาว่างเมื่อเราจะหลับจะนอนก็ตามดังนั้นเราจรึงสร้างตัวสติสร้างตัวรู้ให้มากเพื่ออะไรเพื่อจะเปลี่ยนเวทนาให้เป็นตัวรู้ให้เยอะนะเมื่อเวทนาเป็นเป็นตัวรู้ได้แล้วที่นี้มันก็กลายเป็นอัตโนมัติเวทนามาปั๊บตัวรู้ทํางานเวทนามาปั๊บตัวรู้ทางาน เป็นออโต้ลักษณะออโต้ของนามธรรมเรียกว่าปรมัตดลักษณะออโต้ของรูปธรรมก็เรื่ออัตโนมัติระบบออโต้อัตโนมัติเดี๋นี้เป็นที่นิยมกันมากอะไรก็อัตโนมัติหมดแต่เวลามันเสียขึ้นมาเนี่ยโอแก้ยากมากเลยอัตโนมัตินี่ปรมัตดของเราเหมือนกันถ้าหากว่าเราสร้างขึ้นมาให้เป็นอัตโนมัติก็ยากแต่ว่าถ้าปรมัตดเสียไปก็เอาคืนยากเหมือนกัน พอๆกอาโต้เอโตโม้มติวิเศษแหละถ้าเราไม่ชํานาญในระบบยังแก้ยากนะอันนั้นในช่วงวันนี้เราก็เป็นวันเก็บอารมณ์ ว, วันที่สองวันที่สพรุ่งนี้พรุ่งนี้เก็บอารมณ์เข้มกว่าวันนี้หน่อยก็คือว่าต่างคนตื่นขึ้นมาก็ทำเลยมามาที่นี่คนไหนตื่นก่อนก็มามาศึกษามาเสพบความวิเวกได้ความสงัดได้วิเวก แล้วก็ได้ศึกษาในรายละเอียดของเวทนาได้เห็นคลื่นของเวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาร้อนเวทนาหนาวเวทนาปวดเวทนาเบื่อเวทนาเบื่อเวทนาเซงเวทนาอยากเวทนาไม่อยากมีให้เห็นตลอดเราจะดูตัวไหนอะถ้าเราจะดูมันทันนะเกิดดับเกิดดับมากเราก็ตามดูไปเรื่อยๆนะเฉะนั้นช่วงเย็นนี้เราปฏิบัติกันมาสมควรแล้วก็มีปัญหามีข้อสงสัยอะไรไหม ก่อนที่เราจะหยุดกันไ ม, ม่มีนะเคลียทุกจุดชัดเจนนะ